วันที่ยี่บปดหลวงพ่อจับหมูป่าไปปล่อยที่ผู้หลวงนะได้ทั้งหมดสามสิบเจ็ดตัวเอาไปปล่อยก็ดูๆแล้วก็จับง่ายข้าวเนี่ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้คาดการไว้เพรางั้นเถอะทำกลงทํากลงใหญ่เนื้อที่เกือบเกือบสามไร่เมืสองไร่กว่าแล้วก็ทําเป็นงวงช้างมันกัง็งวงช้างพอหมูเข้ากลงเสร็จแล้วก็ไล่เข้างวงช้างมาแล้วก็ใส่กลงตรงนั้นเลยเ ใส่ทีละตัวละตัวหาบมอกหามออกหาหม อ, อ ก, มออกได้สามสิบกว่าตัวจากนั้นก็เอารถเคียนยกขึ้นใส่รถสิบล้อจากนั้นก็วิ่งไปส่งผู้หลวงในคืนนั่นเลยเพราะงั้นแหมูสามสิบแปดตัวมีประตุสัตว์มีป่าไม้มีตำรวจมีทางอำเภอประตุสัตว์แห่เป็นขบวนไปเพงั้นแตเอาไปปล่อยโคดงใหญ่ อยู่ที่นี้มันแออัดเกินไปพี่น้องญาติโยมลูกหลานมาบางคนก็ไม่รู้จักหมูป่านั่นคืออะไรแกกี้ว่าเหมือนกับสัตว์บ้านเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปมันไม่ใช่นะหลวงพ่ออยู่ในวัดนี่กลัวบางทีเห็นเด็กหลวงพ่อก็บอกให้พกพระท่านเอาเวลาวันเสาร์วั น, วนอาทิตย์เด็กมามากนะพอเอาข้าวกนบาดเทใส่กระมังไว้ แล้วก็ยกไปก็ให้เด็กเอาไปให้เด็กบางคนยังเอานมไปให้ยื่นให้ปากหมูอีกต่างหากเหมืนอนหลวงพ่อเห็นโอ้แต่ต่อต่อตอต อ, ต อ, ต อ, ตอลูกหลานจนะทําแล้วก็เลยบอกพระอีกอย่าไปให้มันใกล้ขนาดนั้นนทำไม่ได้นะ่ะอันตรายนะวะเพรหมูมันเคยกัดหมาอาชินเสียนของหลวงพ่อตายมาตัวหนึ่งแล้วหมาไปกัดมันแหละทุกสามตัวหนี่งก็ตัวดำํดำๆสามตัวหนึ่งก็อีกสักวันหนึ่ง ทำไม่จับหมูไปปล่อยก่อนนะมันคงจะเจอดีกับหมูป่าเหมือนกันนะมันไม่กลัวงั้นเถอะแต่หมูป่าเร็วกว่านะชั้นเชิงเลยเร็วกว่าคนละชั้นกันเลยแล้วงั้นเถอะหมูหมาถึงจะเร็วขนาดไหนก็เถอะสู้หมูไม่ได้หมูป่าเนี่ยทีเดียวนั่นนะตึ๊บเรวกันเนะใช้อาวุธเก่งมากเลยนี่ เ, เอาไปปล่อยสามสิบกว่าตัวแล้วก็สัทานี วิทยุวัดหลวงพ่อมีนะเดี๋ยวนี้นะนั่งออกจากวัดไปเปิดฟังที่รถก็ได้เดี๋ยวนี้หลวงปู่ล่ากำลังเทศมัม้งเมื่อกี้นะี่ยหลวงพ่อเปิดฟังหลวงปู่ล่ากำลังเทศช่วงนี้ให้หลวงปู่ล่าเทศบ้างหลวงปู่สิงทองเทศบ้างหลวงปู่อินเทศบ้งบางว่างั้นไดหลวงปู่อินก็เทศเป็นบางครั้งมันกันนะเดี๋ยวนี้กำลังออกได้สองสามวันเนะี่ยะ กำลังเริ่มออกแต่ก่อนทดสอบเดี๋ยวนี้ก็ทดสอบเหมือนกันนะถ้าว่าออกเต็มที่แล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วคิดว่าจะรับของหลวงตาวัดป่าบันตาดมาทั้งหมดเลยใช่ไหมวัดป่าบันตาดเปิดมายังไงวัดของเราก็คงจะรับอย่างนั้นแต่ขณะนี้เป็นการทดสอบอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหากับสถานีอื่นอย่างไรบ้างนะก็เลยเปิด ทดสอบทดลองดูถ้ามีปัญหามาก็ถ้าจะให้เขาดา่าดาหลวงหลวงปู่อินเหมือนกันเะเพราะหลวงปู่อินเป็นต้นคิดจะไปให้ด่าหลวงตาไม่ได้นั่ น, นเะเพราะนั้นจึงให้เขาออกเอ็มพีสามของหลวงพ่อทั้งสิบสองแผ่นหมุนเวียนกันออกแต่บางครั้งก็ย่างว่าเครื่องก็มันขัดล้องด้วยเขาบอกว่าถ้าว่าผู้ใดฟังแล้ ว, แ ล, วแล้วมีปัญหาอะไร ให้โทรเข้ามาเทียนเขาก็โทรเข้ามาว่าทำไมเปิดเอ็มพีสามซ้ำบ่อยนักเขากันนะเปิดแล้วเปิดอีกคือมันเครื่องเครื่องตัวนี้มันเครื่องโบราณดูดูแลทำไมเดือบหลวงพ่อกาลังบอกอยู่พอเปิดเสร็จแล้วพอเครื่องมีปัญหาหน่อยหนึ่งปั๊บมันตีกลับมาอ่านหน้าหนึ่งอีกพอเปิดไปสามสี่กัรแล้วมันมีปัญหาปั๊บเล็กมาเกิดเปิดหน้าใหม่อีก แต่ี้ไอ้คนที่ฟังมาทําไมทําไมฟังกันเก่าอยู่เรื่อยเนี่ยเนี่หลวงพ่อก็บอกเนี่ยขัดข้องทางเทคนิคมาาั้งั้นแหะหลวงพ่อบอกประกาศไปว่าสถานีของเรากําลังทดสอบทดลองขัดข้องทางเทคนิคหลวงพ่อว่ากันนะแต่ตามไม่จริงอาจจะพระเซอร์ก็ไม่รู้อาจจะเครื่องเก่าก็ไม่รู้หลวงพ่อก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินสมัยไอ้เอ็มพีสามขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยชินมาานั้งั้นแหะ ก็บอกว่าหน่าเบื่อเอ็มพีสามพอเปิดไปแล้วมันก็อ่านหน้าหนึ่งพอเราหยุดเราเทศกันหนึ่งสองกันจบแล้วอ่าเรก็ปิดเอาไว้พอเปิดมามันก็อ่านหน้าหนึ่งใหม่อีกเราจะกว่าจะนั่งฟังเช่กันที่สามที่สี่เราจะทำยังไงวะเนี่ยคนยังไม่รู้ว่างั้นตามพ่จิงมันกดไปได้นะถ้าเราเคยฟังถึงกันที่สามแล้ว เราเปิดไปอีกเราจะฟังกันที่สี่เราก็กดกดกดกดมีที่กดของมันมันก็วิ่งไปหาเบอร์ที่สี่ที่ห้าฟังฟังกันต่อไปนะแต่บางคนเนี่ยเปิดแล้วก็มาฟังกันเก่าอยู่นั่นน่ะมันจะไหวหรือใช่ไหมฟังทั้งสิบเอ็ดชั่วโมงจะไหวเลยเครื่องของหลวงพ่อเครื่องนี้ที่อยู่ในสถานีก็ลักษณะนั้นละ่ะพระท่านบอกมันกดไม่ไปไรู้จะทําไงพอมันเสียไปมันก็วิ่งมาหากันเก่าหลวงพ่อเออถ้าเป็นลักษณะนั้น ถ้าเปิดไปแล้วมันมีปัญหาก็ควรจะเอาม้วนใหม่ใส่ไม่ใช่จะเอาม้วนเก่าให้เขาฟังเดี๋ยวนี้มันเปิดเข้าไปแล้วมันมันหลายคนฟังนะไม่เหมือนตัวเองฟังคนเดียวนะเียมันออกไปทั่วนะเนี่ยแหละพวกเราเวลานั่งรถออกไปจะฟังก็ได้นะในระบบ FM เอมความถี่หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิรต์หลวงพ่อออกประกาศเมื่อวาน บอกว่าสถานีของหลวงพ่อเนี่ยมีแต่พูดเสียงธรรมะถ้าว่าศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานเอ๊ะเทศสถานีนี้ทำไมได้ยินแต่เสียงพระเทศได้ยินแต่พระอบรมธรรมะศีลธรรมจริยธรรมไม่มีการร้องราทาเพลงไม่มีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหมดมีแต่ธรรมะพระเทศเท่านั้นอันนี้คือจุดประสงค์ จุดประสงค์ของผู้ตั้งสถานีผู้ตั้งสถานีผู้ก่อตั้งสถานีอยากจะให้มีเสียงธรรมะเพราะว่าเสียงอย่างอื่นเสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้องรำทำเพลงสถานีอื่นมีมากเกือบจนทั่วทุกสถานีแต่มีธรรมะนี่ไม่กี่สถานีขององค์หลวงตาขึ้นมาเนี่ะจึงมีสถานีวิทยุเสียงธรรมขึ้นมา มีสถานีเดียวจากนั้นก็เป็นเครือข่ายเเครือข่ายที่รับออกมาจากวัดป่าบ้านตาออกมาจากส่งขึ้นไปดาวเทียมมันกันนะส่งขึ้นไปดาวเทียมรับจากดาวเทียมลงมานี่แหละอันนี้คือสถานีของหลวงตาเป็นแม่ข่ายจากนั้นเดี๋ยวนี้ก็ฟั ง, ฟ, งฟังดูก็เป็นร้อยสถานีมันกันนะเนกืนนะเอกบทั่วประเทศทางภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออก ทางภาค อ, อีสานใครลูกหลานญาติยมผู้ใดมีศรัทธาก่อตั้งขึ้นมาตั้งสถานีขึ้นมาก็รับจากหลวงตากระจายเสียงในระแวกนั้นของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นจุดบอดอำเภ อ, น า, อานายูงน้ำสมสังคมสวรรณคูหาสี่อำเภอเนี่มันอยู่ฝากเขาภูพานอีกฝากหนึ่งเหมือนนน่ภูพานมันกั้นไปทางวัดหลวงตา สถานีลงตา ม, มาไม่ถึงมันจุดบอดของสถานีเพราะนั้นหลวงพ่อจึงคิดตั้งสถานีนี้ขึ้นมาเพื่อกระจายเสียงสี่อำเภอที่ได้รับธรรมะจากวัดหลวงตาถ้าหักกลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแล้วไปนะก็พอรับได้วัดหลวงตานะเพราะสถานีอื่นเขาไม่เปิดแต่พอกลางวันขึ้นมาสถานีนั้นก็เปิดสถานีนี้นก็เปิดมันกั้นสถานีหลวงตา ม, มาไม่ได้ ได้ยินแต่กลางคืนกลางวันไม่ได้ยินเพราะนั้นเป็นจุดบอด mm hmm. เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้คิดตั้งสถานีนี้ขึ้นมาเพื่อกระจายเสียงธรรมะให้แก่พี่น้องประชาชนผู้สนใจ mm hmm. นับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีนะทางว่าอยากจะตักตวงธรรมะสมัยก่อนเราไม่ได้ยินครูบาอาจารย์เทศหลวงปู่จวนเทศยังไงปู่จวนผู้ทอกเทศยังไงหลวงปู่วันเทศยังไง หลวงปู่สิงทองเทศยังไงหลวงปู่งงราเทศยังไงหลวงปู่ชาเทศยังไงเราไม่ได้ยินแต่ที่นี่เรานั่งอยู่ถ้าตั้งใจฟังอ่เดี๋ยวองค์นั้นออกมาเทศเดี๋ยวองค์นั้นออกมาเทศเป็นแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบทั้งนั้นอยู่ในธรรมเทศนาผู้ที่เขาออกมาเข้าสถานีก็คือกันกรองซะก่อนอย่าค่อยเอาเข้าไปมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ เป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่ท่านเทศนาว่าการเดี๋ยวนี้ท่านก็จุตินิพพานไปหมดแล้วเกือบจะหมดว่างั้นแต่นี่มีแต่ของหลวงตาเนี่ยยังยืนพื้นทีนี่ทำมัทเหตนาของหลวงตาหนึ่งรู้สึกว่าจะมากกว่าทุกองทุกรถทุกชาติที่เอามาเผยแผ่ในสถานีจากนั้นก็สลับองค์นั้นบงังหลวงปู่ล่าบางังหลวงปู่ชิมบงัง หลวงปู่คําดีบ้างสลับสหรับในการเทศเหมือนนเพราะนั้นพวกเราช่วงไหนช่วงองว่างนะช่วงมองวาง่นะวงงวางกับเปิดฟังธรรมะนะ่ยดีฟังแต่ร้องรําทําเพลงอย่างเดียวก็มีสนุกสนานแต่ฟังธรรมะในเบิกบานนะฟังไปแล้วมีแนวความคิดว่าจะปรับปรุงแก้ไขกายว่ า, ายใจใจของเราอย่างไรฟังธรรมะจะมีช่องทางเพราะธรรมะเป็นเครื่องชี้นําทั้งด้านจิตใจ เป็นเครื่องชี่นำทางจิตวิญญาณของคนเราแต่ร้องลํำทำเพลงมีแต่การสนุกสนานเพลิดเพลิน เ, เงฮาไปเป็นคลั่งคล้าวแล้วก็จบไปแต่ธรรมะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะซึมซับเข้าสู่จิตใจแล้วจิตใจของเราจะมีความเยือก เ, เย็นมีความสุขลึกๆเหมือนน่ะพะนั้นให้ฟังๆนะธรรมะกลางค่ากลางคืนอยู่แถบเมืองอุดร 3.25 สถานีของหลงตา FM ร 3.25 ของหลงตาปัดปตาบรนตาเราจะไปคิดว่าเราไม่ได้ฟังธรรมะเราไม่ได้ฟังเทศไม่ได้ฟังการอบรมจากครูบาจารย์ทุกวันในเสียงธรรมะดังอยู่ในตลาดอยู่อยู่ในอากาศสนันบันไว้อยู่ตลอดถ้าเราเปิดขึ้นมาเมื่อไห่เราได้ยินเมื่อนั้นเว้นเสียแต่เราไม่อยากฟังทนะ แต่ว่าตามให้จริงธรรมะนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นของขมนะเป็นของขมเป็นของแสลงถ้าหาว่าคนไม่ใฝ่ในธรรมะนี่ฟังเข้าไปแล้วโ อ, อ้ไม่อยากจะฟังรีบปิดว่า ง, งั้นเย่ยรีบหันไปทางอื่นเร็วๆว่า ง, งั้นเลยเ อ, อันนั้นคือผู้ไม่สนใจธรรมะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้ า, าผู้ใส่ใจหรือสนใจธรรมะใ้ฟังพพุทธศาสนาได้สอนอย่างไร พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ป่าดงพงภัยอยู่ในป่าลึกสมัยก่อนอยู่ในถ้ำในป่าในเหวลึกๆห่างไกลท่านอยู่อย่างไรทําไมท่านจึงอยู่อยู่เพราะอะไรทําไมท่านจึงอยู่ได้แต่ขณะเราอยู่คนเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงท่านนี่เกิดพอแรงแล้วคิดหมูทิดถึงหมูถึงเพื่อนต้องหาสิ่งมาแก้ลาคาญถ้าอยู่คนเดียวกันนะเปิดวิทยุฟังบงังเปิดโทรศัพท์บงังคุยกับคนอื่นบงัง อย่างนี้คือมันหาทางออกอยู่ตลอดเวลาแต่พระกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในป่าองค์เดียวนะท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้พวกเราน่าจะศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าอือพระนท่านอยู่กับอารมณ์เดียวกาหนดลมหายใจเข้าหายใจยออกอยู่นิ่งพยายามให้หยุดคิดนะแต่พวกเรามันคิดปงฟุ้งอยู่ตลอดเวล่เวลาจนไม่ไม่มีเวลาพักพักผ่อนเลยนะมีแต่คิดคิดคิดคิดอยู่ตลอด คนที่คิดมากเป็นยังไงพอคิดมากปรุงฟุ้งซ่านมากๆก็ทําให้ปวดหัวเหมือนกันถ้ามีเรื่องที่จะให้คิดนะ่ยบางทีปรุงฟุ้งซ่านเป็นประ ส, สาดได้ไ ง, าง่ายๆเพราะงั้นครูบาอาจารย์น่ยท่านไปอยู่ในป่าท่านไปนั่งกําหนดลมหายใจเข้าออกดูอารมณ์เป็นหนึ่งจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะจิตนั่นก็ไตรตรองเหตุและผลพิจารณาดูใจของตัวเอง ใจของเราคิดเรื่องอะไรใจเป็นกุศลและใจเป็นอกุศลเท่นี่แหละท่านอยู่ในป่าท่านดูใจนะสู้กับใจสู้กับตัวเองท่านอยู่ในป่าจากนั้นจิตของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพอสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจะพิจารณาจะพิจารณาอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูสยามภูรู้แจงโลกนะเป็นบรมครูจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบ ที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนนะ์พอจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแน่วแล้วน้อมจิตสงบนั้นดูอดีตชาติของพระ อ, องค์ว่าชาติที่แล้วพระ อ, องค์เป็นอะไรพระ อ, องค์น้อมจิตในจิตที่เข้าสู่ความสงบนะั้ปุเพนวาสานุสติญาณที่ระลึกชาติผลหลังได้คือน้อมจิตรละลึกดูว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติก่อนเป็นไงชาติก่อนเป็นไง เหมือนกับลูกโซ่เนี่ยเหมือนกับลูกโซ่ติดต่อกันมาเรื่อยๆมาถึงจุดนี้อมาชาตินี้อื<ช>นี่แหละอันนี้เร <ละ S 2> ียกว่าปุเพในวาสานุสติยาน ล, ลึกชาติผนหลังได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านภาวนาจิตของท่านสงบแล้วนเนี่นะน่ะบางองค์ก็มีอุปนิสัยนะละลึกชาติผนหลังได้แต่ไม่เหมือนกันนะ ล, ะลึกชาติผนหลังได้ไม่เหมือนกัน บางองค์ก็ระ ล, ลึกชาติแต่น้อยสี่ห้าหชาติแล้วก็หมดหมดกําลังมังนงั้นแต่หมดเครื่องมือเหมือนกับวิทยุของเราขึ้นสั้นขึ้นยาวอย่างนั้นแหะถ้าวิทยุซื้อมาราคาถูกแล้วก็เปิดได้ F อฟเอ็ข้างๆเรานี่ยนะไม่กี่สถานีว่างั้นแต่ถ้าว่าเครื่องมือของเราดีนะเครื่องมือที่เขาส่งไกลๆน่ยก็จะต้องรับได้ไกลมากอันนเครื่องมือดีอันนี้ก็เหมือนกัน่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน ท่านมียานัศนะก็จริงอยู่แต่ยานัศนะสั้นบางองค์ก็ไม่ได้เลยนะบางองค์ก็คือเป็นพระรหันต์อย่างสุขวิปัสสโกอย่างเนี้ยรู้แต่ว่าพระองค์องค์ท่านหมดกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะตัดกิเลสขาดเหมือนกันนะกิเลสขาดออกจากหัวใจรู้ด้วยองค์ท่านเองว่ากิเลสของเราขาดออกจากใจแล้วราคะโทสะโมหะหมดแล้วที่จะทาให้เราเกิดอีกไม่มีอีกแล้ว ท่านกรู้ได้แก่ใจเพียงเท่านั้นแต่บางองค์ท่านก็ระลึกชาติ้นหลังได้แล้วก็ ล, ลึกอนาคตได้อีกว่าอนาคตจะเป็นยังไงในอนาคตท่านก็รู้ได้อีกอันนั้นเป็นเฉพาะองค์ของท่านอันนี้ออกมาจากผลพลอยได้ออกมาจากสมาธิที่ท่านทำจิตให้สงบนี่แหละจิตไม่ปุ่งฟงสานน่นะเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว น, ะน้อมดูในอดีตปุเพนิวาสานุสติญาณ พอถึงเที่ยงคืนพระองค์นั่งสมาธิอีกและลึกว่าวิญญาณมาจากไหนมาเกิดมาจุดนี้มาจากไหนแล้วออกจากนี้จะไปที่ไหนแล้วว่าจูตูปปาตยานการจุดติของสัตว์จุติคือการเกิดการตายของสัตว์เป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไงอันนี้พระพุทธองค์ก็รู้อีกในวันเดือนหกเพนตอนเที่ยงคืนจากนั้นอาสาวกยยานตอน สว่างพระพุทธองค์กำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจอีกได้เป็นพระพุทธทเจ้าทีน้ท่านก็รู้ว่าวิญญาณที่มันวกวนเวียนอยู่ที่มันตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยมันมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ย้อนไปอีกไปดูอีกดูที่วิญญาณมามาจากที่ไหนมาเกิดพระพุทธองค์ว่ามาจากอวิชชาไม่เกินกว่านั้นคือมาจากความโง่เทนะ่านั้นอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่ารานี่ย อวิชชาก็เป็นบ่อกเกิดแห่งวิญญาณมาจากความโง่จุดถึงเพียงแค่นั้นเหมือนกันนี่แหละอันนี้จากนั้นมาพรดองค์ก็ชำระพระองค์ชำระความโงออาาโโม่ออกจากจิตใจนี่กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจทํามันไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่โลภทํามันไม่หลงมันก็ไม่รักแต่นี่ท่านก็ชำระความหลงออกจากใจของพระองค์ให้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดนี่แหละ นี่แหลแต่ท่านไปตัดสรูร้ทำทเหนือโลกเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมพระพุทธองค์ชำระที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั้นสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ธรรมสามอย่างในวันนั้นปุเพในวาสานุจติยานและลึกชาญผลหลังได้จตูปปาฏยานการจุติของสัตว์อาสาวกยญาญญาญอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสนี่แหละ พระพุทธองค์ที่ไปอยู่ในป่าดงพงไัยถึง6ปีท่านไม่ได้ไปทําอะไรทั้งหมดไม่ได้ทาํามาค้าขายไม่ได้คิดปุงฟุ้งซ่านไปทางอื่นคือดูใจของพระองค์เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาอยู่ป่าดงพงภัยอยู่ตามถาม้ำตามเหวตามภูผาป่าไมา้ที่เป็นประวัติของท่านที่ท่านได้ศึกษาแล้วได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว ท่านก็นํำทำคําสังนะ่งสอนนมาปรปับปรุงตัวของท่านเองอยู่ป่ารงพงไพ่ดูใจของท่านเถิดดูใจของท่านทํายังไงจิตของท่านจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้กําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใจออกไม่คิดไปทางอื่นเหมือนกันไม่ให้คิดไปทางอื่นอให้อยู่กับปลมเท่านั้นทํามันไปแล้วก็ดึงกลับมามันไปแล้วดึงกลับมาผลที่สุดมันก็สั่นเขา้าสั่นเขา่าอยู่กับที่ทนเถิดนั่นแหละวิธีทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบได้แล้วเถิดนั่นแหละ รู้พระธรรมคาสังสอนรู้ตัวเองทำไมว่ารู้ตัวเองรู้ตรงไหนก็รู้ตรงที่ว่ารู้ใจแล้วเออใจของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแต่ใจของเรานี่มาอาศัยกายอยู่เท่านั้นอีกสักวันหนึ่งกายก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแตกสลายในที่สุดแต่ดวงวิญญาณคือใจนี่เมื่อออกจากกายไปแล้วไปปฏิสนธิไปที่อื่นอีกอูตูปะปาตยาน การจุดติออกจากร่างกายนีไปเกิดที่อื่นอีกออกจากที่อื่นไปที่อื่นอีกนี่แหละอย่างวัดตะวัเถึงมันไปที่ไหนไปเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นสัตว์ออกจากสัตว์มาเกิดเป็นคนออกจึงคนมาเกิดเป็นคนวนอยู่อย่างนั้น่ะเหมือนกับมดไตขอบกระมังอย่างนั้น่ะว่าเป็นใหม่อยู่เลยที่แท้คืออันเก่าพระพุทธองค์เห็นลโ้โอ้โลกก็นเนี้มันไม่มีอย่างอื่นมันน่าเบื่อจริงๆ ผลนั้นพระพุทธองค์จึงชำระตัวที่พาให้เกิดพามาเกิดนั่นคืออะไรกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นพระองค์จึงใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเข้ามาพิจารณามาหุงมาต้มมาจัดการกับใจของพระองค์จนหมดเชื้องี้ยใจหมดเชื้ออลไรทีนึงไม่มาเวียนไหวาตายเกิดตัดตัดวงจรเงี้ยไม่ไต่ขอบกระมังอีกแล้วงี้ยตัดตัดวงจรออกไป ไ, ไปสู่ อัมันตาธาตุเข้าสู่อวกาศของจิตของธรรมจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนะี่นี่แหละที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ป่าดงพงภัยอย่างพวกเราเห็นในประวัติของท่านนี่แหละท่านมาฝึกฝนอย่างนี้แหละท่านไม่ได้ฝึกฝนอย่างอื่นนะฝึกฝนทางด้านจิตใจดูจิตดูใจของท่านเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านญาติโยมทุกคนนะเด ได้กราบได้ไว่ายได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบายจานก็เป็นบุญเป็นกุศลจากนั้นพวกเราก็ค่อยถึงจะเดินอย่างท่านไม่ได้ก็พยายามตะเกียดตะกายเดินไปทีละน้อยละน้อยตามนะก่อนหลับก่อนนอนก็ไหวพระสวดมนต์ซะจากนั้นก็นั่งภาวนาสักหานาะที1ิบนาทีทำใจให้สบายสบายไม่ต้องปุงฟุง้งคิดไปทางอื่นนี่แหละเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบายจานวันนี้เป็นวันสิ้นปี2550้า วันพุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ปีใหม่สากลเพราะฉะนั้นวันคืนเดือนปีถึงจะวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้แต่ผิดแปลแตกต่างก็คือมันอากาศหนาวเท่านั้นเองวันก่อนๆไม่ค่อยหนาวเมื่อวานไม่หนาวไม่เท่าวันนี้วันนี้หนาวกว่าเมื่อวานแต่วันพุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะหนาวหรือไม่รู้จะร้อนเราจะรู้ได้แต่เพียงเท่านั้นว่าอากาศเท่านั้นเองแต่วันคืนเดือนปีนั้นมันเป็นอย่างเก่าพระอาทิตย์ขึ้นยังเก่าพระัชฌัญยังเก่าดาวเต็มฟ้าอย่างเก่า พวกเราก็อย่างเก่าแต่ทาไม่จริงเราไม่ไม่อย่างเก่านะอย่างหลวงพ่อเนี่ยแก่กเมื่อวานนี่เหมือนกัน่เมื่อวันนี้นะวันพรุ่งนี้คงจะแก่กว่าวันนี้เหมือนกันแ่ฮะมันแก่ไปเรื่อยๆนะชีวิตของเราเพราะนั้นให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าแก่ไปถึงไหนนาะต้องคิดไว้นะต้องคิดไว้เพราะนั้นมันถึงจุดจบของมันเหมือนกัน เพราะนั้นการที่จะแก่ไปถึงจุดจบนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้จะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราไม่ถึงร้อยปีหรอกที่ว่ามันได้ชีวิตนะั่นเทาว่ามันได้เดือนปีนะ่คือมันเสียชีวิตของเรานะชีวิตของเราสั้นเข้าไปทุกทนะีเพราะนั้นการเสียเวลาไม่ใช่เป็นของดีนะให้พวกเราเก็บหอมรอมริบสั่งสมบุญกุศลเอาไว้วันนี้เป็นวัน สิ้นปีวันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ให้พวกเราทบทวนหนูว่าปีที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์คนเราจะทำ yeah. สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้สิ่งทำสิ่งที่เปล่าประโยชน์อย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันแต่สองอย่างนั้นเราทำอะไรไปบ้างที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าว่าเราทาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์ ปี 2,551 เนี่ยเราควรจะคิดใหม่ละอ่าปีที่แล้วเราคิดไร้ประโยชน์จริงๆเดินตามกิเลสตัณหามานะทิฐิของเรามากเกินไปเสียเวลามันไม่ได้ประโยชน์อะไรปี51นี่ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอีกนี่แหละอันนี้แปลว่าเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนคนนั้นจะเป็นคนดีได้ แต่ถ้าว่าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขปีไหนก็ปีเก่าเดือนไหนก็เดือนเก่าวันไหนก็วันเก่าอันนั้นแปลว่าเป็นอยู่อย่างช่งกระตายเพราะงั้นเนะเออยู่แบบไม่มีอนาคตคนที่อยู่ด้วยไม่มีอนาคตนะไม่ได้นะไม่ดีมันจงคิดอนาคตเราจะทำยังไงจะทำให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้อันนั้นเป็นผู้มีความหวังถ้าว่าคนอยู่ไม่มีความหวัง เหมือนขุดหลุมฝังตัวเองคนที่อยู่แบบไม่มีความหวังเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองเพราะนั้นอย่าไปเป็นอย่างนั้นเราต้องอยู่แบบมีความหวังพยายามถ้าเป็นเด็กน้อยหนุ่มกำลังศึกษาก็พยายามศึกษาเต็มที่สิ่งไหนที่จะเป็นความรู้ความฉลาดเข้ามาเราขนไคว่ต้องช่วยตัวเองพ่อแม่เนี่ย ท่านมีแต่กระครับประองนั้นเองนะท่านจะให้โอย อ, อ, อยู่จนหัวงอกหัวขาวได้เหรื อ, อพอเราเป็นพอจะช่วยตัวเองได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็พร้อมที่จะกระโดดในโลกกว้างได้พ่อแม่ของเราท่านก็หามาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหาเองเอต้องวิ่งเต้นค้นขวา้าต้องหมั่นขยันต้องช่วยตนเองเอไม่ใช่ว่าเราจะไป พึ่งไปหวังพ่อแม่บางคนผิดอกผิดใจกับพ่อแม่น้อยเดียวเท่านั้นหน่างอหน้างักเอผลที่สุดก็เครียดให้พ่อให้แม่โอ้หลวงพ่อนี่ไม่แล้วะออย่างหลวงพ่อพูดให้ลูกหลานฟังเมื่อวานหลวงพ่ออายุสิบเอ็ดปีหนีจากพ่อแม่มาอยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่อยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่ถ้าภูโจกมีทั้งเสือมีทั้งอะไรอยู่นั้นหลวงพ่ออยู่องค์เดียวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงแปร่งพอสมควรเดินไปเนี่ยต้องสังเกตะ เพรา่างชงเกตอะไอย่างมันมีงูงูกับปะงูอะไรต่างเยอะแยะจุนี่ตามซอกหินนี่ที่เดินไปถ้าเบื่อเดินไม่ระวังมันเอาจริงๆนะว่างั้นแตเอเพราะนั้นที่ว่าไปที่ไหนไม่เสื้อเชื่อซาซาสมัยเป็นเด็ก <c oughs> กระโดดจะก้อนหินเนี่ยหมือนกับเหมือนกับเลียงผาแล้วว่ั้นแต่เออนั่นแหละอันนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านจะว่าไปแล้วเท่าจะว่าพ่อแม่แมไม่รักอืทําไม่งให้ไปอยู่ภูผาป่าไม้ หลวงพ่อไม่ได้เคยคิดเลยย้อนหลังมีถ้าภาคภูมิใจเออถ้าว่าพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ไปอย่างนั้น่ะเราก็คงจะไม่มีวันนี้เหมือนกันเ อ, อพอเราไปอยู่อย่างนั้น่ะมันแกล่งเหลือเกินพิจารณา ย, ย้อนหลังกินอาหารมื้อเดียวอีกต่างหากทานอาหารมื้อเดียวฉันอาหารมื้อเดียวนอนอยู่คนเดียวอีกต่างหากและก็บัตว์สาราสิงที่จะทําพิษทําภัยไม่รู้มมลงแมลงไม่รู้อะไรออสู้กับอารมณ์ทางจิตใจอีกต่างหาก อายุสิบเอดปีเลยใสิบเอดิบสปีอยู่นานถึงขนาดนั่นแนหะละชีวิตของหลวงพอ่อถ้าจะว่าไปชีวิตสู้พอสมควรนะลูกหลานนะเพราะนั้นลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังต้องเป็นชีวิตที่สู้ต้องรับผิดชอบตัวเองสิ่งไหนอย่าให้พ่อแม่หนักใจท่านเลี้ยงเราใหญ่แล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งเตรียมให้เราแล้วเราพร้อมที่จะกระโดดทะยานไปในโลกกว้างได้ทีนี้ จากนั้นก็อย่าลืมบุญคุณของพ่อของแม่ที่เลี้ยงเรามาท่านมีอุปกราระคุณจากกับเรามากเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนคือพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วถึงอย่างไงยังไงอย่าลืมบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณของพ่อของแม่มากมายมหาศาลน ะ, ะมากมายมหาศาลถ้าจะว่าไปแล้วอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อถึงจะเป็นเนรบวชอายุ11บเอขวบกว็เถอด หลวงพ่อบวชเป็นเนนจากนั้นเป็นพระมาแล้วก็มาอยู่กับองค์หลวงตาบางอยู่หลวงปู่ล่าหลวงปู่แหวนถึงหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อเองไปดูพ่อแม่อย่างใกล้ชิดเลยอาหารการบริโภคจุดไหนจุดไหนหลวงพ่อเป็นพระนี่หลวงพ่อเป็นคนกลางได้ได้พี่น้องทุกคนต้องเชื่อฟังคําหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเอาอย่างนี้นะเอาอย่างงั้นนะเอทุกคนก็ต้องฟังเพราะหลวงพ่อไม่มีผลประโยชน์ผมหลวงพ่อคนเดียวอจากนั้นกัน่ะ ผลที่สุดออมพ่อแม่มาโรงพยาบาลหลวงพ่อเป็นผู้จัดการดูแลเองครผลที่สุดก็ท่านเขามาตายที่นี่ทั้งโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อกะเผาที่นี่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยจากนั้นก็ไปฝังไว้โคนต้นโพเลี่ยนี่ยกระดูกของท่านเนี่ยหลวงพ่อเองไม่เคยลืมถึงท่านจะปล่อยปะละเลยขันเจตนาดีมากท่านอยากจะให้ลูกของท่านเนี่ยไปศึกษาในธรรมะปฏิบัติไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรักเคารพนับถือคือหลวงปู่ล้านี ท่านก็มอบลูกไว้ให้กับหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาแทนเนีแต่หลวงปู่ล่าแต่ท่านไม่ได้คิดนะว่าอืมถ้าไปแล้วลูกของเราจะเสียอกเสียใจยังไงอแต่ตามไม่จริงเราก็เสียใจแต่ใหม่ๆแต่พออยู่กับหลวงปู่แล้วก็อบอุ่นเหมือนกับพ่อเหมือนกับปู่เราเหมือนกันอท่านก็ให้ความอบอุ่นจากนั้นเราก็อยู่กับท่านจนเป็นพระหนึ่งพันษาอยู่เป็นเณรอยู่แปดปีเป็นพระหนึ่งพันสาจากนั้นจึงได้ มาอยู่กับหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาจากนั้นขึ้นไปเชียงใหม่จากนั้นมาอยู่กับหลวงตาวัดป่าบันตาดสิบสาปีที่วัดป่าบันตาดมาอยู่บ้านตาดหนึ่งหลวงพ่อก็ว่าพระธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะหลวงตามหาบุญประวัติของท่านฟังดูก็แล้วกันโอ้โหถ้าไม่นั้นทําไม่แกล่งจริงกันไล่หนีพระไม่รู้ว่ากี่องค์แต่กี่องค์เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยความตั้งใจเพราะอยู่ด้วยความสนใจตั้งใจออกจากท่าน ออกจากหลงตาก็มาอยู่ที่นี่เลยนะอยู่กับหลงตาสิบสามปีออกจากนั้นก็นมาอยู่ที่นี่ปีสองพันห้ารอยี่สิบห้ามาอยู่ที่นี่นดูที่ลูกหลานปีนี้ปีเท่าไหร่สองพันห้า้อยี่สบห้าปีนี้สองพันห้า้อยห้าสิเอ็ดเข้ามาแล้วเนี่ยพันพุ่งนี่นี่แหละชีวิตของหลงพ่อหลวงตาเนี่ยอย่างนี้แหละอายุเดี๋ยวนี้เท่าไหร่หกสิบหกปี <c oughs> พรรษาเท่าไหร่ตั้งแต่เป็นเนนมาฮะตั้งเป็ เป็นเนน 2,500 ลูกหลานนับดูกันแล้วกัน น, ะนับข้อมือโดยเสียว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาของพวกลูกหลานทั้งหลายเนี่ยบวชตั้งแต่ปี 2,500 หลวงตานี่พระ 2,500 นะเป็นเนนปีปี 2,500 นะปีนี้เท่าไหร่50ปีเห็นไหมชีวิตของหลวงพ่อฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่50ปี51ปีช่วยเยซ้ำไปไม่ใช่เหรอนะวันนี้ได้พูดหลายๆอย่างให้ ญาติโยมลูกหลานได้ศึกษานะให้ได้ฟังเป็นแนวความคิดถ้าจะพูดไปก็เหมือนขี้อวดไกลๆว่ า, าง่ายแต่ตามที่จริงไม่ใช่นะลูกหลานจะเข้าใจผิดอย่างนั้นหลวงพ่อพูดให้เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ฟังนะสรุปแล้วเกิดมาในโลกอย่าไปอ่อนแอนะสรุปแล้วให้แกข่งนะให้สู้ในทางที่ถูกอย่าไปเกลียดค้านอย่าไปงอมืองอเท้าอย่าไปมุ่งหวังให้พ่อแม่ช่วยจนเกินไปตัวเองต้องช่วยตัวเอง เพราะพ่อแม่ให้แล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งพวกเราพร้อมที่จะทะยานไปในโลกกว้างได้เ้งนันไม่ใช่จะไม่คิดไม่อ่านอะไรไม่ได้นะต้องพยายามช่วยตนเองพงพยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่มันขาดตกปกพ่องพยายามทำให้ดีขึ้นเหมือนกันนะที่หลวงพ่อพูดคือจุดประสงค์อย่างนั้นเท่านั้นเองอตอนนี้ไปรับพรอุทิศส่วนกุศลหน้าวันนี้นะ